อากาศมันนี้ดีมากวันนี้ดีมากลมโชยมาอ่อน เราทําในการภาวนานี้ให้เราได้เข้า การมันเป็นปิดทําใจนั้นน่ะมันเกิดต้องการแล้ว กายวาจาจึงสร้างบุญทำบุญให้ เพราะใจกลายเป็นเรื่องบากไม่ได้เป็นบุญโดยตลอดๆ ยังธรรมอาจารย์สนทนาทีแรกก็พลบถึง โดยไกลเป็นเรื่องของการโต้เถียง สะอาดเหมือนผ้าที่ขาวสะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูลคือเปื้อน ในมโนทวารของหัวใจที่ไม่ส่วนทาน เรเรเรามีมากมีมากเราก็ทํามากมีน้อยก็ทํามอน้อยนี่ตลอดถึงการ คือมันจะมากลดลดประมาณเพียงใดก็ตามเกิดที่กายที่ๆน่ะมัน หรือเป็นธรรมขึ้นมาได้มันไม่ใช่ของ และกายของเรายุ่งเหยิงรวมดีๆนั่นเองถึงเราจะนั่งอยู่ในล่มในห้องแฮนานเงียบสงบสงัด มันนานเกินของธรรมชาติคือสังขารร่างกายมันก็เกิดทุกข์ก็ปวดมึนชาแสบร้อนทั้งทาง บุคคลและสัตว์อืมแต่ถ้าใจของเราน่ะมันไม่สงบมัน ไม่เล่งรีบเร่งรีบไม่ไฝ่คว้าไม่ขวนขวายในการๆแม้ มันก็สําเร็จความเป็นธรรมขึ้นมาไม่ได้และกายนี้ถึงๆน้อยๆภายนอกก็ใช้ มันก็มันก็นั่งได้ไม่ไหวเราจะพาเขานั่งๆนอนๆมัน แล้วจะมาปฏิบัติธรรมมันจะปฏิบัติได้อย่างไรคนยิ่งแก่ยิ่งเจริญด้วยธรรมะ สังขารร่างกายยังไม่แก่เท้ายังไม่ชราจนเกิน มีมีสตีเพียรแก่กล้ามีสติแก่กล้ามีสมาธิความมั่นคงแล้วก็ ถึงเราจะอยู่ได้ถึง 100 ปีมันก็ถูกความแก่ความเจ็บนี่ๆนอก 100 ปีแล้ว ในที่สุดก็ตายเนี่ยสังขารอันนี้ร่างกายอันนี้เขาไม่ได้ มี 100 ปี 78 90 ปี 80 ปี 70 ปีตายและความตายนั้นเป็นอนิจจัง แต่เวลาของการจะตายไม่มีเป็นเป็นประจักษ์พยานอยู่บาง 4, 1, 2, 3 อาทิตย์ 4 อาทิตย์เดือน 1 ตายไป 2 เดือนตายไป 3 เดือนตายไป 9 เดือนตายไปก็ยังมีบางทีเกิดจากท้องแม่ 7 วัน 3 วัน 5 วัน 7 วัน 10 วัน 20 วันเดือน 2 เดือน 2 ปี 5 ปี 10 ปี 20 ปี 30 ปีนี่เราลองพิจารณาดูเถอะอืมตายทุกเดือน เราจะว่ากันจริงๆเค้าตายให้เราเห็นอืมไม่ได้ว่างเว้นแม้แต่วินาที กายนี้ถึงแม้ว่าจะพาเราทําความดีหรือเรา เนี่ยเรามองง่ายๆนี่นะถ้ามองไป มันเป็นอนัตตาแปลว่าบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความปรารถนาแน่ถ้าเราพิจารณาถึงในแง่นี้ เป็นบาปในทางกายการฆ่าสัตว์การประพฤติผิดไอ้การลักทรัพย์การประพฤติผิด ทางทรัพย์สมบัติสิ่งของวัตถุธาตุทั้งกําลังกายกําลังวาจากําลังใจช่วยเหลือเกื้อ อย่างพวกเราเป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็น 1 หรือ 3 วัน 3 คืนวันโกนหรือจะ 8 เป็นนิดโดยไม่ต้องโกน เราไม่ไม่มีการพูดปดนอกจากการไม่พูดปดแล้ว การเป็นผู้รู้จักการรู้จักสถานที่ นอกจากเราไม่พูดหยาบแล้วเราพูดคํา มันเกินดีไปซะอีกหวานเกินดีหวานจนแสบคอถ้าพูดก็จนเนี่ยเมื่อ ก็พูดด้วยความเป็นธรรมที่จะนํา ไม่สามัคคีกันก็จะเกิดความสามัคคีขึ้นแล้วก็มี ไม่รู้อะไรต่อมิอะไรจัดมันไม่เป็นระเบียบมันไม่เรียบร้อยไม่อืมแต่ส่วนที่มันอยู่รอบ อย่างนี้นี้เราเป็นคนไม่ใช่สัตว์มันก็จะต้องดูแล ละเกละกะอยู่ที่กว้างก็เหมือนที่แคบคนที่มีระเบียบเรียบร้อยอยู่ที่แคบมัน เหมือนสุนัขเหมือนแมวมันเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มันไม่มีความรู้สึกนึกคิดว่าดี อย่าเผยริมที่ปากให้มันออกไปสู่นี่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลาย ถ้าเราอยากจะได้อยากจะเป็นคนมีดีภายนอกดีในกายบาง ฐานที่ก็ทําเพื่อตัวของเราทั้งหลายนั่นแหละรองรับแห่งการเจริญภาวนาจิต แต่ที่จะมาเอาใจใส่ในหน้าที่ของตัวเองที่จะมาเอาใจใส่ใน มันจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาจะเป็นพระเป็นเนนดีได้หลงราคะโทสะโมหะเป็นอารมณ์ถ้า มีลังแกติฐิความรู้ผิดเห็นผิดถือทั้งทั้งที่ทําชั่วเนี่ยเมื่อฮะ เหนกว่าเขากลัวนึกว่าเขาเกรงงันนั่นอันนี้อันโน่นเออกายก็โสโครกปากก็ จะอุปมาเปรียบเหมือนราชสีห์หมูมันไปท้าราชสีห์มาสู้กันนะ แต่โมโหละมันก็ฉลาดสักหน่อยนี่ราชสีห์น่ะมันเป็นสัตว์ นอนแบบสีหาสายานอนข้างขวามีความสงบศรีราชสีห์เป็นสัตว์ๆไม่ต้อง เหมือนกระสุนรักไปไม่เป็นเลยกินเสือเหมือนม้าได้กินเสืออ่าไปไม่เป็นเลยอืม อยู่กับที่เลยกับที่เลยหมดเลี้ยวหมดแรงทั้งๆที่อยากจะหนีมันมันพ้นในชั่วพริบตาเดียวนี่แลอำนาจหมูมันก็ฉลาดอยู่เหมือน มันก็ไปเปลือกที่โคนตัวมันก็สกปรกด้วยขี้โคลนขี้ตมขี้เปอะยังเหลือแต่ ราชสีห์มันก็เลยไม่สู้ด้วยเจ้าหมูก็เลยโอหังอืมได้อํานาจบาดใหญ่สําคัญผิดๆมันจะ แต่ทําเป็นไม่เอาเสียไอ้ที่ไม่เอา แล้วก็เป็นเอาแล้วไม่ถูกเคี่ยวเข็นไม่ถูกบังคับไม่ถูกอะไรอุเบกขาวางๆนานานั่นเป็นอย่างนั้น เขาไม่มีความรู้สึกนึกคิดและอุปทานยึดถืออย่างนั้นหรอก มันอยู่ที่ไหนมันไปที่ไหนมันก็พกเอาความไม่ และทำตัวให้มันแคบลงเองแล้วก็ไป เอาไว้ในการที่จะละ 5 ศีล 8 ศีลกรรมบท 1227 เมื่อเราแก้ด้วยศีลแล้วทําบันไดอัต ก็จงพากันขยันหมั่นเพียรและ ยังไม่แก่ไม่เฒ่าเมื่อเราแก่เฒ่าชราลงไปแล้วมันจะไป อยู่ในโลกนานเท่าไหร่มันก็มีแต่เฉพาะและ ประสาทจมูกก็ชราลงไปดมกลิ่นอะไรก็ไม่รู้จักเหม็น มันก็จะไม่มีแรงกระทืบนี่แหละคือสังขารแต่มันเป็นอย่างนี้แล้วน่ะแทนที่เราอ้างว่ากิเลสสําคัญว่ากิเลส ที่ก็ถือความคิดความเห็นความ ที่มันแก่มันเฒ่ามันมันอยู่ภายใต้การควบคุมครอบงําของมันเป็นเครื่องรองรับสําหรับโรค พอมันแก่รอบๆแล้วมันก็เกิดความสุกมันก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนรสเปลี่ยนชาติเมื่อมันสุกรอบ ปาไต้ฝานมันหรอมันแหลกละลายลงไปของมันโดยธรรมชาติไม่ต้องไปทําให้มันแหลกมันก็จะ เมื่อมันแก่งอมรอบตัวของมันงอมแล้ว ครับดมแผ่นดินถึงมันจะไม่ได้ต้อง แม้แต่แกนในเมล็ดของมันก็ในที่สุดถ้ามันไม่เกิดมันก็ ชราความแก่เข้าครอบนำปลิจฉราแก่รอบปักขิฑรา จาก 2 ตามันก็ไป 4 ตาหลังก็งอมลงอืม มันจะมีแค่หนังหุ้มอืมน่าเกลียดน่ากลัว หลังจากนั้นสัก 2-3 วันมันก็พองขึ้นพองขึ้นพองขึ้นพองนี่คลองไปพอง ไอ้ยังกลางวันร้อนๆอย่างเงี้ยไปดู ถ้ามันเกี่ยวกับเนื้อสัตว์กุ้งหอยปูปลาเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อ อันนี้ชั้นใดเราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหนุ่มแน่นแก่เฒ่า มันก็ยังเป็นประโยชน์ก็ยังเป็นนี่ตายแล้วมันจะเลือนตัวของมันขึ้นมา ยังแถมน้ําหอมคลุ้งออกใบอีกด้วยน้ําๆกระเดือดฟัดฟัดฟัดฟัดฟัดทรง ประกอบปะหงมกอมเกลี้ยงเลี้ยงดูเอาเก้าใจทุกสิ่งทุกอย่างลุมยุงเมย์ไล่แม้แต่ยุงแม้ให้ต่อแม้กัดมะแรงแม้ เออหน้าชังก็เรียกว่าหน้าเกลียดหน้าชังก็ว่าก็คือน่ารักนั่นแหละเห็น เพราะนั้นเราเจริญในเบื้องต้นกับการเจริญในบ้าน เรเราก็ไม่ควรจะมัวเมาประมาทตกเป็นทาสทาสข้า แต่ต้องการจะบูชาลิ้นของเจ้าของยอมเสียเงินเสีย เมื่อรู้เรื่องไหมผลจากฝ่ายลิ้นลงไปถามคนลิ้น มันไหลลงไปอร่อยไหมดีไหมไม่มีใครตอบเลยน่ะลองถาม เรียกร้องโน้มน้าวชวนเชิญตลอดทั้งนี่ แล้วลีนนี้มันจะอยู่ปีถึงจะอยู่ 100 ปีนั่นเป็นเป็นกําหนดอายุขัย แล้วรู้ไหมว่ากรรมเค้ากําหนดให้ ก็แต่ว่าไอ้หัวใจดวงนี้มันโลภขึ้นมากันแล้วกันมัน มันก็ยังไม่พ้นก็ยังไม่พ้นปลดเปื้อนนี่ท่านทั้งหลายพากัน มันวิเศษวิโสอย่างไรมันเหม็นมันหอมอย่างไรมันดีมันชั่วอย่างมันสุขมันทุกข์อย่างไรนี่มันของชั่วคู่ชั่ว ความสัมผัสมันๆแล้วก็คิดนั่นเมื่อพิจารณา คำว่าอร่อยมันอยู่ที่ปลายลิ้นอยู่ในปากถ้าเราจะมองกันให้ๆแล้วล่ะลองใช้สติปัญญา มันทั้งอร่อยอร่อยทั้งอร่อยทั้งหอมทั้งหวานๆน่ะว่างๆก็ลองเคี้ยวให้มันแหลกแล้วก็เราคายใส่มือดูซิแล้ว รสลองดูสิพิสูจน์ดูสิของดีนั่นน่ะมันอยู่ในปากว่ามันดี ไอ้เราพิจารณาว่ามันไม่ดีเหมือนอย่างเราเห็นน่ะไม่ได้หรือยัง ถ้าเราปฏิบัติแล้วน่ะเราจะเป็นผู้รู้เห็นชัดถ้า ความเจริญในเบื้องต้นมันเป็นที่มาแห่งความยินดีของตัวเราพ่อแม่ของเราญาติพี่ สังขารร่างกายอันนี้เมื่อมันแก่รอบแล้วมันร่วงมันหล่นแล้วยก รบกันก็ยังมีตามประวัติศาสตร์ใครศึกษาดูตามบรมโบราณเห็นมั้ย ยกบ้านยกเมืองตีรันฟันแทงกันเพื่อแย่งอืมนาง พิจารณาสุภาพมันแก้ราคะความ แต่เราเห็นขึ้นมาด้วยจะเป็นหญิงเป็นชายก็ตามตามสมมุตินั้นมันจะเกิดความกำหนัดเกิดความยินดีขึ้น แม้จะเป็นกายของตนบุคคลผู้อื่นในลักษณะอย่างนี้ความกําหนัดและไข้ชอบใจใน <c oughs> มันเราก็ต้องแก้มันได้เราได้เราก็ต้องแก้มันได้เอามันอย่างงั้นถ้าหากว่ามันไม่ เขาต้องการอะไรต้องการอะไรต้องการบุญเท่านั้นแหละไม่ต้องการค่าตอบแทนจากพระคุณท่านเลยต้องการบุญแต่นี้จะเอาบุญกับเราเรา เราจะเป็นนาบุญเค้าได้ยังไงนาบุญของเรามีแต่ที่ไหน เมื่อมันไม่งดไม่งามมัน การการภาวนาเนี่ยมันจริงเป็นหน้าที่สําคัญมันไม่เฉพาะวันนี้บ่ายวันนี้เท่านั้นมันสําคัญทุกวัน ได้สํารวจดูแลให้ใจของเราอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างเราหน่วงเหนี่ยวอารมณ์ โดยความเป็นของปฏิกูลดังที่นี้ชื่อว่าเป็นธรรมารมณ์ที่ สงบไปจากสัญญารูปเสียงกลิ่นรสอดีตเมื่ออดีตมันสงบลงไป ใจของเราก็จะตั้งลงไปเป็นสมาธิคือเป็น ว่าสรีระร่างกายของเราและบุคคลผู้อื่นนั้น หรือเราจะรวมทั้งอสุภะและธาตุนั้นล้วนแล้ว เพียงแต่ว่าให้เกิดความเข้าใจเท่านั้นว่าเป็นดินเป็นดินธาตุดินธาตุ มันเกิดอยู่เป็นอยู่ตั้งอยู่ในขณะนี้ โลกนั้นมันก็เรว่างมองไปไหนมันก็เป็นธาตุหมดเป็นธาตุดินน้ำลม ความหมายของสมพุทธนั่นก็เพื่อไม่ได้ พุ่มบาทเข้าบ้านด้วยความสํารวมได้สู่ปะพยัญชนะทั้งของสดและของแห้งมาขบมาฉันใน เพื่อความมะเร็ดอร่อยอย่างเดียวฉันเพื่อ เพื่อจะสงเคราะห์อนุเคราะห์พรหมจรรย์ศีลสมาธิปัญญานิธานศีลภาวนาให้สมบูรณ์บริบูรณ์หรืออยู่เพื่อความโลภอนนก็ยังไม่มีนี่ก็ยังไม่มีอันนั้นก็เดือนนี้ปรากฏแล้ว 2 เดือนแล้วคนนั้นไปมากคน หรือแม่ชีแม่ขาวคนวัดพงวาก็เหมือนกันกินอิ่ม ประเจิดเช็ดเยี่ยวเขตเดียวลูกหลานก็ยังจะดีลูกหลานบ่เนี่ยมาอืมผ้าเหลืองก็ร้อนผ้าขาว ไอ้สอนตัวเองจักเทศตัวเองสอนตัวเองเตือนตัวเองถ้า คนดื้อคนด้านสอนไม่ได้มันเสียเวลาเอาเวลาไปสอนเออให้พากันพิจารณาคน ไม่ใช่เนยะที่จะพอแนะอืมยังถาม เอาไปทูลถามธรรมะของพระพุทธติอย่างว่าพระสมณโคดมทรงสอนพุทธบริษัตรโดยวิธีอย่างไรพระองค์ก็ทรงตัดถามว่าเธอน่ะ ผู้ที่ถามเนี่ยเป็นผู้ตอบสอนง่ายฝึกง่ายเพียงแต่ สอนด้วยฝึกด้วยหัดด้วยแล้วก็ต้องทรมานด้วยต้อง ก็คือบังคับอดหญ้าอดน้ําทรมานให้ ไม่ได้ฆ่าพระองค์ก็ฆ่าทิ้งเออเราสถาปนคก็นี่เพราะฉะนั้นพวก เป็นนิยบุคคลหรือทรมานได้ปทปรมะในยบุคคล ศาสนาใดมีมรรคศาสนานั้นก็มีทางที่จะให้ถึง และการรู้ทำของประฟุติเจ้านั้นรู้ได้โดยพระองค์เองไม่มีมนุษย์คนไหนไม่มีเทวดาภรมตนไหน ที่จะบางอาจมาเป็นอาจารย์ซächeมาพระฟุติเจ้า ให้ได้ตั Italiaวสรู้ได้ มันเป็นPreita ติหลือวิสัยของพระฟุติเจ้าจะต้องเป็นอย่างนี้ทุก々พระองค์ ผู้รู้แจ้งเห็นจริงถึงแม้ ไม่สูญเพราะคำสอนนั้นยัง เพราะฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าๆยังไม่ได้ ถ้าเราจะเอาทานเอาศีลน่ะภาวนามาเป็นบทฝึกกายวาจา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทําหรือไม่ 24 ชั่วโมง 8 ชั่วโมงทั้งกลาง 16 ชั่วโมงนั้นเราเอา ในยันเวลาเนี้ยผู้ที่จะขึ้นมาดู ท่านจึงเปรียบเทียบเหมือนโคตัวหนึ่งมันมีเขาเพียง 2 เราเจริญสมาธิภาวนานั่งจนๆการภาวนา เหล่าใจเค้านิ่งโดยที่เรียกว่าไม่มีงาน ฤๅจะควบคู่กับพุทโธพุทโธกันในเบื้องต้นพอจิต มันมีรัดผัดคล้องตรงไหนอย่างไรมีหรือไม่มีมีก็แก้ไข ใครก็ห้ามหรือไงที่จะทําให้เรามารู้ลมของเราไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของเราที่ ได้แต่สอนละชี้แนะเท่านั้นแหละเราจะทำแต่อย่าไปอยากนะ ใครทําไปตามหน้าที่เอาความอยากเข้าเหมือนเราข้ามเหลือลุ่มวง เรเราก็ประยุงตัวของเราขึ้นไป จะเอามาฟังเทศน์ฟังนะทีแรกทําเนี่ยมันเป็น การปฏิบัติไถทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญสมาธิ มันเป็นเครื่องรู้ของสติ รู้เห็นลมไม่ขาดไม่ขาดลมนั้นไม่ขาดจากสาย ผู้ที่จะรู้เท่ารู้ทันสิ่งทั้งหลายนั่นน่ะจะต้องเป็นผู้ขอ ธรรมก็เหมือนกันไม่รู้มันเป็นธรรมเป็นวินัยหรือเปล่าขอได้ไว้เสมอส่วนที่มัน เมื่อเราลุกขึ้นมาได้เราต้องสวดต้อง เป็นการเจริญสมาธิภาวนา wheels ไม่ใช่ว่าจะมาเจริญกันเพียงแต่นั่ง EH? te? อยู่บนสลาหลังนี้ ข้าห�هاทับข้าใส่มือขวาห variation เรียกว่าพ温 al height เรียกว่าการฟึกจธิแต่ถ้าทำทุกวันทุกวันทุกวันเร วันละสองเช่ścieโมง หนึ่งเช่ 예� Vancouver อีก mộtก็ยังดี มากกว่ากอ auction กว่าม บุญอันนี้มันเกิดขึ้นย้ายมันขาดลงไป คืออารมณ์ของสมาธิอารมณ์เมื่อจิตใจของเราสงบระงับแล้วสมาธิจนกว่าจิตใจของเราจะสงบระงับเมื่อจิต ถ้าสงบน้อยมันก็จะมากขึ้นยังไม่สงบถึงที่สุดมันก็จะที่สุดไม่รู้มันก็จะรู้แล้วมันจะทําให้นี่แหละคือความมุ่งหมายใน เมื่อมาได้ยินได้ฟัง